พะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคสราหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการฟังธรรมก็ดีการ น, นั่งสมาธิภาวนาหรือทำอะไรในทางพุทธศาสนานีท่านมักจะตั้งนะโมคำว่านะโมนั้น หมายถึงความเคารพของพวกเราทั้งหลายนอบน้อมกราบไหวบูชาละลึกถึงพระพุทธองค์ผู้มีคนแกสัตว์โลกจึงมีวิธีตั้งนโมนะโมจริงๆก็คือให้กายวาจาจิตของเราเป็นผู้ตั้ง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 ศรัทธาคือความเชื่อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเรียกว่าภละทั้งห้าเมื่อภลระทั้งห้านี้มีในจิตใจของผู้ปฏิบัติย่อมมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่พ้อถอยในการประพฤติดีปฏิบัติชอบ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 คำว่าพระกิทวาล น, นั้นโบราณอาจารย์เจ้าท่านสร้างพระขึ้นมาอย่างหนึ่งพระกิทวาลหรือว่าพระขวัมปติถวว่ามีมือมากมายปิดตาสั่งสองข้างแล้วยังมีมืออีกสองข้างปิดหูแล้วก็ปิดจมกูกปิดปากปิดถวานหนักกิดทวาลเบา อันนี้คือเป็นลิมิตหมายให้คนเรารู้ว่าตาหูจมูกลื่นกายใจทุกส่วนนี่แหละไม่ให้จิตมันออกไปไม่ให้จิตมันหลงไปเหมือนกับว่าพระปิตพวานปิดไว้ไม่ให้มันออกไปก็ได้แก่เรามารวมมาสงบจิตใจนี่แหละ เมื่อเรานั่งแล้วสงบกายแล้วสงบวาจาแล้วก็สงบจิตจึงมีบริกรรมในธรรมะธรรมโมมากมายหลายอย่างหลายเระการหรือว่ากรรมฐานสี่สี่สิบห้องเป็นน้องอนาปาร็ล้วนแล้วแต่เรื่องปิภาวานพระภะวรมภาพปิตพวานทั้งนั้นแหละ ถ้าเราปิดทวารคือสังวรระวังในอินทรีย์ทั้งหลายตาเห็นลูกก็ไมห่หลงหูฟังเสียงก็ไมห่หลงจมูกดมกลิ่นก็ไม่ห้หลงลิ้นลิ้มรสก็ไมห่หลงเย็นร้อนคอนแข็งมากระทบร่างกายก็ระวังจิตไมห่หลงความคิดนึกสูงแตงอมันปลงแตงอยู่ในจิตในใจ ดีชั่วประการใดก็ไม่ให้หลงคือติดไว้รักษาไว้ไม่ตามอำนาจกิเลสในใจของตัวเองเดี๋ยวปิดตะวานทั้งเก้าปิดตะวานทุกอย่างปิดอบายภูมิก็ว่าไล้จิดบาปไม่ให้เข้ามาก็ว่าได้รักษาไว้ซึ่งดวงจิตดวงใจไม่ออกเส้น่านภายนอกก็ว่าได้ จึงรวมเลือกว่าปิดไว้บังไว้ไม่ให้จิตหลงคาว่าหลงลืมไม่ใช่รูปร่างกายมันหลงจิตนั่นแหละมันหลงจิตคนเราเนี่มันเป็นผู้หลงเป็นผู้หลงเป็นผู้ไหลเป็นผู้ไฟตามอำนาจตีเลตอยู่ตลอดกาล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 จิตของเราไม่ภาวนาละกิเลสจิตไม่ตั้งมัน่นมันก็หลงไปตามคนตามโลกมนุย์หลงไปตามเทวโลกหลงไปตามผมมโลกความหลงเหล่านี้เป็นของแก้ได้มันหลงได้ก็แก้ได้มันทำบาปได้แล้วก็ทำบุญแทน ใจมันเสียดค้านภาวนาเราก็มันขยันขึ้นมายกจิตยกใจของเราขึ้นมาให้มันสูงสงยาวันไหวสันสะเทือนอย่างคนที่เกียดตที่ค้านมักง่ายพ่อแอแก a ตัวไม่เอาตั้งตัวตั้งใจเมื่อเราดูพระพุทธโลก ไม่ว่าแดดไหนนอนชีหะใจยากก็สง่าพาเผยนั่งกรรมฐานแดดไหนท่านก็แสดงความองค์อาจกลาหารแม่จะเป็นพระศีวลีทายบาทรทายกดคือไม่เท่าอะไรก็แสดงความองค์อาจกลาหารไม่พอแพอาท้กลัวตายเหมือนเราทาั้งหลาย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 อันนั่นแหละมันตัวทุกตัวจิต ด, ดูเวลาคนเราที่เขาตายไปแม่จะตายวันนั้นเผาวันนั้นก็ลองดูพอจิตนี่ออกหนีจากร่างกายแล้วรูปร่างกายยังมีอยู่ทุกอย่างหนังหุ้มโยู่เป็นที่สุดรอบมือเท่าร่างกายตัวตนเต็มบริบูรณ์ ลองเอาขึ้นกองไฟจุดไฟขึ้นมันหนีไปไหมคนตายคนนั้นไม่หนีสู้พวกเจ้าทั้งห้ายจะเผาข่าก็เผ า, า, า, าไปเถอะมันวาน่ะข่าไม่หนีข่ายอมให้ไฟนั่ะไหม้ทิ้งนั่นคือว่านั่นแหละคือจิตไม่อยู่ นี่สมมุติว่าก่อกองไฟจุดไฟให้ลุกแล้วมัดคนให้ขึ้นไปจิตใจยังอยู่มันไม่ยอมละมันจะดิ้นเอาจนดิ้นไม่ได้ละลองเอาจนลองไม่ออกแล้วะน่าอะไรมันลองอะไรมันดิน้นดูให้ดีก็จิต ด, ดวงนี้แหละจิตที่เกลียดข้านภาวนา จ็ตที่เกียค้านไหวพระสวดมนต์จิดที่บ่นว่าเป็นนั่นเป็นนี่จ็ดไข้ได้ป่วยกลัวตายเจิตอันนี้แหละมันดิ่นล้นวุ่นวายด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ว่าจะกำหนดภาวนาบทใดข้อใดก็ให้รวมลงไปในจิตใจนั้น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 ความร้อนเอาลมความเย็นมารวมไว้สมมุติว่าเป็นตัวเราของเราความจริงนั้นตัวอันนี้นั้นมันธาตุดินน้าไฟลมเมื่อจิตมาคลองอย่หน้าของข่าตัวของข่านอกจากยึดอยู่ในตัวนี่แล้วยังยึดออกไปถือออกไปภายนอกอีกด้วย ยืดยาวออกไปจนไม่มีทีท่สิ้นสุดจึงให้ชื่อว่าตันหากิเลสพันห้าตันหาร้อยแสดมันพัวพันอยู่ในจิตในใจนี้มาอย่างนี้ตั้งแต่อนเนกชาต์นับพบนับศาสไม่ถ้วนแล้วแต่ใจของคนเรามันก็ไม่ยอมรู้มันมีแต่จะหลงไป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 ให้เห็นเฉียงว่าโลกเขาสมมติว่าอย่างนั่นเองความจริงร่างกายสังขารอันนี้มันไม่ใช่ของคเคาเห็นของกลางโลกเป็นของโลกเขาคนเราเยืมของโลกเขามาใช้มาประกอบคุณงามความดีทำดีทำชั่วทำบุญทำบา ใครจะมายึดมั่นถือมั่นว่าข้าพเจ้าเป็นนั่นเป็นนี้ก็ว่าไปเถอะเป็นอะไรมันก็ไม่พ้นความแก่ความสลายเป็นอะไรมันก็ไม่พ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรมันก็ไม่พ้นจากความตายความตายไม่มีใครพ้นดังใครจะหลบเลี่ไปเหนือไปใต้ไป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 ใครทำบาปอยาก่าทาลุนอายุสั้นพระหลันตายใครทำบุญสุนทานปฏิบัติบูชาภาวนาไม่พ่อถอยบุคคลผู้นั้นก็มีอายุยืนยาวข่าวไกลมีกิติศัตด์ชื่อเสียงโด่งดังเพราะว่าทำดีไม่ทำบาปไม่ทำชั่ว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 ยาได้สั่นสะเทือนไปตามคำนาที่เลสพระองค์เตือนไว้ว่าให้ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจไม่ว่าภาวนาบทใดขอด้อใดย่อมเป็นไปเพื่อความบรรลุมักผลเห็นแจ้งพนิพานได้ทุกอย่างถ้าหาว่าภาวนาทุกลมหายใจเข้าออก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 แม้คนอื่นจะตายกี่ร้อยกี่พันใจมันก็ไม่สลดสังเวช น, นั่นคือว่ามันไม่รู้สึกเราต้องนึกในใ จ, จเจริญในใจเตือนจิตใจดวงผู้รู้ภายในตัวภายในใจนี้ให้รู้สึกสำนึกในใจของตัวเองว่ามรณะคือความตายนี้มันขยับเข้ามาเลื่อนเข้ามาใกล้เข้ามา แม้จะยังเด็กเล็กอยู่มันกับกล้ายประมาเมื่อใดบาปอากุศลเก่าของตนมาตามถึงเมื่อใดเวลาใดก็ตายเมื่อนั้นเวลานั้นไม่มีใครจะไปช่วยได้มรณะภัยคือความตายนี้ท่านเปรียบอุปมาเหมือนสุนัขไล่เนื้อมันทันที่ไหนมันก็กัดเนื้อที่นั้นให้ตาย ไม่ว่าจะที่ภูเขาที่ลาที่น้ำที่บกที่ไหนก็ตามมันทันแล้วมันก็กัดเหมือนสุนัขไล่เนื้อท่านว่าทันความตายของคนเหล่านี้ก็เหมือนกันเวลามันไล่มามันไม่ไล่เหมือนสุนัขมันไล่โยภายในดูให้เีคิดให้ได้ บางคนไปรถยนรถยนคว่ำตายในเวลานั้นทั้งรถก็มีตายเหลือไห้ก็มีไปตายลงพยาบาลก็มียังไม่ถึงลงพยาบาลตายก็มีโดที่มันเมื่อมันมามาถึงเข้าบางคน ไปเครื่องบินเครื่องบินตกก็ตายอีกเหมือนกันลบลีกไม่ได้<ม>บางคนนั่งอยู่สบายสบายนี่แหละเกิดลมขึ้นมามเกิดเส้นประสาทาโลหิตหอยแตกขึ้นมามก็ตายก็มีมนอกนั้นยังจะมีด้วยอาวุธยุทธภัณฑ์ กระทบกระเทินขึ้นมาอีกก็ตายได้ทั้งนั้นแล้วเราจะมามัวหลับมัวไหลเทิดเพลินจเจรินตาอยู่ได้หรือไม่รีบเล่นภาวนาจะต้องตั้งใจขึ้นมาละเลิกขึ้นมาทีเดียววะตายเวลาใดก็จะให้อยู่ดีไปดีได้แต่ละกิเลสความโกรธในใจของตน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 เมื่อพระองค์จ ะ, สะเสด็จ ด, ดับขันเข้าสู่น้รลูกทานพระพุทธเจ้าของเราไม่มีการสกทรสท่้นย่างลัวต่อมาละนะไทยคือความตายในกลางวันวันนั้นพระองค์สเสด็จเดินทางตลอดวันจนถึงพบขัจึงมาถึง วนไม่ลังใกล้เมืองกุสินาราพอมาถึงเข้าจังพระอนนท์ให้ทาสะอาดเอาผ้าสังคาปูพะองค์ก็เข้าบันทมนอนสีหะสาย ญ, ญาติไม่มีความสะทกสะท้านยาตตัวต่อมาละานะไทยคือความตาย แล้วท่านก็ไม่หยุดหลังจากบรรพธมเสร็จเรียบร้อยก็ตรัสพระธรรมเทศนากแดงให้สาวกทั้งหลายฟังเคยสาวกทั้งหลายรู้ว่าขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายแล้วมีความเกิดขึ้นมาแล้วจะย่อมมีความเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปอย่างนี้แหละ ท่านทั้งหลายยาได้ประมาทดูลาตถาคตแปดสิบปีบริบูรณ์อยู่ไม่ได้แล้วพิกษุพิกษุนีอุบาตกอุบาสิกาดูลาตถาคตในดีวารูปประขันนั้น ไม่มีอะไรที่จะมาแก้ไขได้ยาในโลกไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อถึงคราวแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดโลก้าอองไม่กลัวนอนเสยียหายยาดร่างกายสังขารลุกไปมาไม่ได้แล้ว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 ไม่ในดวงจิตดวงวิญญาณของพระองค์อยู่แล้เหลือแต่ธาตุดินล้วนล้วนเหลือแต่ธาตุน้ำล้วนล้วนเหลือแต่ธาตุไฟธาตุลมล้วนล้วนนามพระทัยใจพระพุทธเจ้าเรียกว่าขาวสะอานับตังแกได้ปรัสลูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ทายใต้ต้นไม่โพแล้วนามพระทายใจพระพุทธเจา้าไม่ทุกลอนเหมือนพวกเราทั้งหลายนารจัยพระพุทธเจา้ามันใสสะอาดไม่เก็บเอาที่ปาทูปูเข็มอย่างพวกเราทั้งหลายมาไว้ในอกในใจเดใจท่านก็ไม่เอาเสียใจท่านก็ไม่เกี่ยว ภาวนาแบบบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสหลุลดพ้นจากมนุษยสโลกหลุดพ้นจากเทวโลกหลุดพ้นจากธรมโลกโลก<ล><ล>ใดก็ตามจิตพระองค์ไม่ยินดียินลายไม่ลับกอกรอกลวงไม่กลับมาอีกแล้วพอแล้วหยุดแล้ว ไม่มาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายด้วยการกินการนอนอย่างโลกนี้ต่อมาอีกแล้ว น, น, นั่นคือน้ำพระทยใจพระพุทธเจ้าไม่มาสวนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อถวายสระเพิงเผาไฟแล้วมันก็ลงเป็นดินดินมันก็ลงเป็นดิน ธาตุน้ำก็ไปสู่ธาตุน้ำธาตุไฟก็ไปสู่ธาตุไฟธาตุลมก็ไปสู่ธาตุลมมโนธาตุธาตุจิตธาตุใจของเธอองค์ก้าระเด็ดดับหันเข้าสู่นรือภานอันเป็นสถานที่ไม่มีทุกข์มีแต่สุขจิตสุขใจอย่างเดียว จึงมีคำว <c oughs> ่าินพานังประมังทุกขขังิพพานันเป็นสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์นินพานังประมังศูนย์อย่างินพานันศูนย์สิ้นกิเลสราคะโทสะโมหะหมดไปไม่มีกิเลสกองไหนที่จะมาทำให้จิตใจของเสอองค์ มาทุกมาเดือดร้อนอีกเพราะว่าดวงใจของท่านถึงแล้วซึ่งนิสถาอยู่แล้วในนิสถาไม่ต้องมาเป็นทุกอย่างพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจิตไม่ขวานนาไม่ละสิเลสให้หมดสิน้น เมตาก็เจตตาเป็นทุกตาบนเพลิมลายอยู่มีหูก็ต้องมีโลกในหูเป็นทุกกะหูอยู่ตลอดกาลเมื่มูมกมมีดังก็เป็นทุกตามจมหมมีปากมีลิ่นมีเที่ยวมีฟันก็เป็นทุกกับปากกับลิ่นกับเที่ยวกับฟันเป็นทุกเพราะกิน เป็นทุกเป็นทุกเพราะฐานทุกเหล่านี้เราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีอยู่ตลอดเวลาเหตุนั้นต้องภาวนาเพียรเพ่งดูให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบอย่ามาหลงหยึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลยึดสมมติยอมอันนี้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 จงทำความรู้แจ้งแทงตลอดภายในใจิตใจของเราอีกส่วนหนึ่งส่วนพระพุท ธ, ธเจ้าพระอระหันตาเจ้าทั้งหลายอันนั้นไม่ต้องไปช่วยท่านท่านช่วยตัวท่านเองได้แลกกิเลสราคะท่านละหมดแล้กกิเลสโทสะโมหะท่านเลิกละหมดแล้ว ทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระปฏิเกศ พ, พุทธเจ้าทั้งพระอระหันตากีนาตกท่านเลิกท่านละท่านเบื่อท่านนายท่านคลายออกมาหมดแล้วทิ้งแล้ววางแล้วปล่อยแล้วยังเหลือแต่พวกเรามันยังไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมภาวนาทำความเชื่อละทีเด็ด มักจะอ้างการอ้างเวลาอะไรมันมีใจอุปสรรคขัดข้อเวลานั่งภาวนาท่านจึงให้เลิกละมันหมดความห่วงความอะไรคนโน้นคนนี่ไม่ให้มีเกิดมาคนละครั้งละข่าว เวลาพายไปเราจะเอาคนโน้นคนนี้ไปได้ที่ไหนไม่เห็นหรือเขาตายโลกนี้เพื่อนกินหาได้ง่ายเพื่อนตายหาได้ยากเวลาจะกินเขามีเพื่อนกินอะไรขอให้ข่าเลยกินด้วยครั้นเวลาเราตายเขาไม่เจียว แกตายก็ตายใจคนเดียวตายข้าไม่ตายด้วยกินข้าเอาด้วยตายข้าไม่เอาอย่างนี้เรียกว่าเก็บใจอยาไปพึ่งใครไม่มีที่พึ่งอื่นที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทธโธเมสลนังวาหลังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง โดติพระพุทธเจ้านะั้นพึ่งได้จริงๆหมายถึงเราทำจิตทำใจให้ได้เหมือนพระพุทธเจ้านั่งก็พึ่งได้นอนก็พึ่งได้ยังมีชีวิตอยู่กี่ร้อยปีก็พึ่งได้ตายไปก็พึ่งได้เรียกว่าสานนาิษานใน ใจสงบตั้งมั่นใจไม่หวั่นไหวใจแน่วแน่เป็นดวงเดียวใจรู้แจ้งในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมใจรู้แจ้งในสิเลตปัญหามานะพิธิใจเลือกละปัญหาในจิตในใจออกไปให้หมดสิน้นไม่มีห่วงหน้าไม่มีห่วงหลัง ไม่มีวิตกวีจา์ฟุ้งซ่านลาคาญไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายตัวเราตายก็ไม่ร้องไห้คนอื่นตายก็ไม่ร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจความเป็นความตายมันเป็นธรรมดาของโลกประขันมีโลกประขันที่ไหนมันก็มีแตกมีตายเป็นอยู่อย่างนี้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 ไม่ตายเวลาหนุ่มมันไปตายเวลากลางคนนะ ม, น ม, มันมาบอกเทวทูต ท, ทูตเทวาดาเมื่อแกชราแล้วไม่ว่าหญิงไม่ว่าชาตไม่ว่านักบวชนักบ้างตายได้ทุกเวลาตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออก เราจะมันนิ่งนอนใจอยู่ได้รือจะมาเพลิดเพลินหัวเลาะเทหาได้อยู่เลยเมื่อภัยอันตรายมันลุกล่เราท่านทั้งหลายมรณะภัยคือความตายนี้ท่านเรียบอุปมาเหมือนหนึ่งว่า โคเขาสูงจดท้องฟ้าบิ่งมาทั้งสี่ทิศว่าอย่างนั้นับตัวไหนคนผู้ใดอยู่ใกล้ก็แหลกลางก่อนผู้ใดยังไกลก็ค่อยแหลกลานมาทีหลังท่านเจบให้เห็นคือให้ใจเรารู้ว่ารู้ว้ว่ามันหนีไม่พ้น เหมือนโพเขาใหญ่ตึงมาทั้งสี่ทิศเล่าอยู่ในตรงกลางจะเลกไลทางไหนไม่มีทางเลยใครอยู่ใกล้ก็ตายก่อนแลกลานก่อนใครอยู่ไกลหน่อยก็ตายทีหลังแล้วจะมีใครพ้นไปได้ไม่มีตายทั้งโลก คนในโลกมีหลายพันล้านสี่พันล้านห้าพันล้านก็ทราบ เ, เมื่อมละนาะภัยคือความตายมาถึงเขาตายทั้งนั้นไม่มีใครเหลือเหลือแต่ที่เท่าที่ฐานเท่านั้นเองแล้วยังจะประมาทมัวเมาหลงไหลอยู่หรือ ยังจะมามัวหลับมัวไหลทุ่งซ่าลำคาญอยู่ตลอดการไม่สมควรต้องเร่งรีบรีบเร่งรีบก็คือว่าตั้งใจภาวนาพุทโธในใจทาโมสังโฆในใจเนึกน้่มภาวนาให้ได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลางวันก็ภาวนาได้ไม่ว่าจะเป็นกลางคืนก็ภาวนาได้เป็นเด็กก็ภาวนาได้ยังนมแน่นก็ภาวนาได้แค่ฉลาดยิ่งภาวนาดีไม่ภาวนามันจะตายเสียก่อน แค่นั้นยาได้ประมาทผู้ประมาทคือว่าไม่ภาวนาทุกลมหายใจไม่มองเห็นความตายที่จะมาถึงตนทุกลมหายใจเข้าออกนานและเป็นคนประมาทประมาทว่าเรายังเด็กอยู่คงไม่ตาย ง, ง่ายง่ายความประมาท สมาดว่าเวลานี้โรคภัยไขยเ้เจ็บยังไม่มีหรือมีก็เนนนิดหน่อยคงไม่ตายไหนง้นเป็นความประมาทเวลาความตายมาถึงข้าจะร้องให้ใครช่วยมันช่วยได้ที่ไหนไม่เห็นหรือเวลาเขาตายไป ไม่มีสมบัติพัสฐานอะไรหอบเที่ยวไปบ้างร่างกายสังขารต็ดทิ้งไว้บนแผ่นดินนี้เมื่อมาเกิดแล่ามีใครหอบสมบัติพัสฐานมาจากภพก่อนผลหลังโน้นแบกทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของมาไหมเวลาเกิดก็ไม่มีอาราร มีแต่หนังหุ้มกระดูกทุกคนมาเท่านี้ถ้าพรอนท่อนสะบายแม้สักชิ้นเดียวปกกายมาก็ไม่มีทำาไมเมื่อใหญ่แล้วกิงดิ้นรนวุ่นวายกระสับ ก, กระสายไม่ละกิเลสความโกรธในใจนี้ให้หมดไปไม่ละความโลภในใจให้มันหมด ละให้มันหมดวางให้มันหมดละความหลงในจิตในใจให้มันหมดสายุสะอาดลาจากมนทิมโทษทั้งหลายไม่ให้ใจเล่าร้อนวุ่นวายสางบนิ่งแนวเป็นดวงเดียวเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวเอโกธรรมโมเป็นธรรมดวงเดียว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 ไม่ทำความเทียนให้เต็มกำลังความสามารถมาหลงหยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนอยู่ธรรมะให้ภาคการตั้งใจคำว่าตั้งใจนะมันตั้งหมดทุกอย่างนะตายก็ตัง้งวาจาก็ตัง้งตาหูจะโมกเรีนกายจะมันตั้งทั้งหมด เมื่อมันตั้งทั้งหมดแล้วมันจะลหลงไหลไปได้อย่างไรไม่มีทางที่มันตั้งไม่ได้มันล่มลุกคุกคานอยู่ตลอดกาลพุทโธไม่อยู่ในใจทำโมไม่อยู่ในตัวสังโฆไม่อยู่ในจิตในใจเมื่อใจไม่ตั้งใจไม่ภาวนามันเลี้ยวเล้วไหล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 รพระพุทธเจ้าสอนสาวกในข้างพุทธกาลท่านให้ละทิ้งอย่ามายึดเอาถือเอาไม่ให้มาติดชาติติดตะกูลไม่ให้มาติดตัวติดตนติดสมมุติต่างๆท่านให้ภาวนาลูกเดียวท่านให้ละกิเลสให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นปัป ก่อนชีวิตจะแตกดับตายไปละกิเลสความโกรธให้หมดละกิเลสความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปจิตใจจะได้เข้าถึงความสงบสังัดเยือกเย็นในกายวาจาจิตของตัวเองเหตุนั้นต่อไปอย่าเป็นคนสมะมา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 เมื่อพวกเรายัางไม่ถึงขั้นแตกตายให้เลขกก็ดับรับฟังจดจำธรรมคำสั่งสอนได้แล้วก็นำนไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบสุขเยือกเย็นเห็นจริงเห็นแจ้งในทุกภายในวัฏสงสารจะได้เลิกละ กิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปก่อนความตายจะมาถึงเข้าไม่เมใครจะมาช่วยตัวเราได้ดีเท่ากับจิตใจของเราได้เลยผู้ภาวนาอยู่นั่งโยก็ภาวนานั่นแหละช่วยตัวเองนอนโยก็ภาวนานั้นแหละช่วยตัวเองเดนโยก็ภาวนานั่นแหละช่วยตัวเอง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 เอวังก็มีด้วยกระกาลัทันีสัพพิโยวิวัทชันตุปัพพโลโคนัสตุมาเทภวัตวัน ต, ตรายโยสุขีเีคายุโกภะหัธิวาธนาศิริสนิจังบุตธาปจาริโนยัตาโรโอธรรมมาวัทันติอายุวันโนสุ ข, ขังถาลัง สัมพุท ธ, ธนานโมตัสสะสะควะโตอระหะโตสัมธธามาสัมพุทธานโมตัสสะสัควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาพอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระรัตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น นาบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันต่างใจนั่งสมาธิขับสมาธิการนั่งขับสมาธินี้ให้เอา ขาซ้ายขึ้นมาทับขาขว า, าก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งใจให้เที่ยงตรงหลับตาตั้งใจฟังธรรมด้วยดีเมตตาลิกันภาวนาพุทโขคุณประพุทธิา้าทุกลมหายใจเข้าออก และการนั่งสมาธิภาวนาค้ังนี้เราจะไม่ให้ถีนมิพพะความง่วงเหงาหาวนอนเข้ามาทับผมจิตใจได้ยกจิตใจให้สูงกว่าความง่วงเหงาหาวนอนถ้าเวลาฟังคำง่วงเหงาหาวนอนไม่ได้ความรู้ความเข้าใจประการใด แต่น้ำต้องให้ใจสูงขึ้นถม่นอมิทะความง่วงเหาเหานอนนี้มันเหมือนกับว่าน้ํามันท่วมทับน้ําท่วมทับคนคนก็ตายจิตใจไม่พาความง่วงเหาเหานอนทับผมก็เรียกว่าตายจากคุณงามความดีตายจาก การฟังทรรมไปคือมันหลักอย่าให้มันหลักจงให้จิตใจชื่นบานเบิกบานยินแย่แจ่มใสในธรรมะปฏิบัติอยู่ทุกเวลาจุดหนึ่งที่เราจะต้องภาวนาดูใจของเรา เคยว่าฤดูหนาวนี้ส่วนมากคนเราก็ว่ามันหนาวแท้ที่จรงแล้วหนาวนี้มันมาสอนเราเชี่ยมสอนให้เราสลาดสามากข้ามพ้นความหนาวไปได้้าข้ามพ้นความหนาวได้ก็ข้ามพ้นสีเลความโกรธมาก กีเลศความโลภได้กีเลศความหลงได้เหมือนกันเคอคําสอนเป็นหนาวเนี่ยมันสอนอยู่ตลอดเวลานับตั้งจะย่างเข้าเลยดูหนาวพอตกใบบ่ายเย็นเย็นหนาวมันก็เข้ามาสอนนะบอกลั่งสังสอนทุกเวลา วันนี้แหละหนาวมันมาจากความเกิดความเกิดมาจากจิตใจที่ไม่ภาวนาจิตใจมันมายิตเอากายของเราตัวของเราหนาวเป็นเราเป็นของของเรา ให้ตั้งใจไหว้วาหนาวที่มันรู้สึกเย็นไม่แหละมันสอนสอนบอกอยู่ตลอดเวลาแต่แทนที่จิตใจคนเราจะมาฟังำทำคือความหนาวมันไม่ฟังมันมาบนให้ความหนาวว่าความหนาวมาถึงตัวข้าวกระเจาอย่างไงเจอว่า ความคิดจิตเห็นจิดว่าตัวเราของเราตัวปู่ของกูตัวข้าของข้านั่นเองแหละที่พระพุทธกเจ้าตรัสเตือนว่าตัวทักกายาทิตจิตคือความยึดกายถือกายเมื่อจุดนี้มายึดกายถือกายว่าโลกภารขันร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา ความหลงเย็ดถืออยู่ในใจมันไม่ได้ฟังไม่ฟังทำหนาวมันสอนเขี่ยมสอนให้สลาดรอบโล้ในกองสังขารคือว่าหนาวหนาวเล้าภาพพิจารณาดูให้ดีมันไม่เฉพาะแต่เวลานี้เวลาก่อนๆมันก็หนาว อี่กอนก่อนต่อไปหลายร้อยหลายพันสีหมื่นสี่แสนสี่มันก็หนาวอย่างนี้แม่พวกเราทั้งหลายแกขรร้อยสีจึงตายสการตายแล้วหนาวนี่มันจะไม่ได้ตายไปด้วยมันก็เฝ้าโลกอย่างนี้ ันจะตายไปสัดจะตายไปต้นไม้เผาวันจะแตกดับตายไปก็ตามหนาวมันก็ไม่ไปไหนจะอยู่ในโลกนี้เลใครเกิดมาใครยังมีความรุ่มหลงมัวเมาก็มาเป็นทุกข์เป็นร้รนกับหนาว็ไม่ผัสใจเราสงบระงับตั้งมัน่นดูหยุดที่มันยุด พยายามปล่อยวางความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือจนความยึดเรายึดของของเราให้มันออกไปหรือให้มันดับไปคำ ว, ว่าดับไปมันหมายถึว่าดับแตกตายไปดับความหลงจุดใจที่มายึดเอาความหนาวนเะมื่อมันยึดถือเอาความหนาวก็คือมันยึดเอาทุกอย่าง ร้อนมามันก็ยึดเอาหนาวมามันก็ยึดเอาถ้าเรเสมนเยินยอมามันก็ยึดเอาตุเตียนมินธาว่าลายป้ายสีมันก็มายึดเอาก็คิเลสดวงเก่าี่เลสตัวเก่าแล้วเนะ่ยเมื่อหนาวมันมาเที่ยมสอนเราก็ไม่ฟังให้ดีฟังให้ดีแล้ว หนาวมันเชี่ยมสอนเข้าไปถึงดวงใจหัวใจใจมันสั่นกระเทือนตายมันก็สั่นใจมันก็สั่ น, ม น, นเมื่อใจมันสั่นตายมันก็สั่นวันไหวเป็นทุกข์เป็นร้อนจะมาให้มันมีไปได้อย่างไรคิดดู ตั้งจะตั้ง้าตั้งแผ่นดินตั้งโลกมาหนาวมันก็มีมาอย่างนี้แหละเมื่อถึงฤดูหนาวแม่พวกเราจะแตกบักไปแล้วไปสู่นิพพานก็ตามไปสู่พารโลกที่ไหนพบใดก็ตามหนาวนี่มันกะ็ะแสดงบทบาทอยู่ในโลกมนุษย์นี่ เมื่อกันขึ้นนี่เราต้องแก้จิตไม่ให้มายึดมั่นถือมั่นในตัวอุปท า, านตัวอุปท า, านเทวจิตยึดถือหนาวมาก็ว่าเราหนาวจงภาวนาให้ดีจิตใจให้ตั้งมั่นหนาวมันเป็นตัวอย่างไรหนาวมันไม่มีตัวมันเป็นอากาศสัพเพ มันเป็นธาตุมันเป็นลมเป็นธาตุน้ำธาตุอากาศมันไม่ได้สมมุติมันว่าเป็นอะไรแต่มนุษย์ปุถุชนคนเราเนี่แหละสมมุติให้ว่าหนาวเือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายสังขารของมนุษย์นี่ มันกระทบเข้ามาในธาตุธาตุทางสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อกระทบเข้ามานี่แหละจิตดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนมันจะถึงกันจิตตรงนี้มันคอยเย็ดคอยถืออยู่มันถือมาแล้วอย่างนี้ตั้งแต่อันนี้จะขาดนับพบนับชาตในทัวน่ว เพพาะอาวิธากัญหาความหลงความยึดความยึดตัวสักกายทิิตัววิจิกิสาตัวสีและภัตตาตะรมากนี่มันยึดมันถืออยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าโกกูสันโทมาตัดมันจะไม่ยอมละพระพุทธเจ้าโกนาคามโนมาตัดก็ไม่ยอมละไม่ฟังธรรมัน พระพุท ธ, ธเจ้าตัดกระโพมาตัดมันก็ไม่ ย, ยอมละยอมรู้พระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าของเรามาตัดพระเจ้าโผโมุมาสอนมาสัาง่งจิตมนุษย์คนเรามันจะไม่ยอมเลือกยอมล ะ, ม, ละมันยังมาซ้ำคันจิตคิดว่ดดาตัวของกูตัวของข้าเราเป็นนั้นเราเป็นนี่นะ พอหนาวมามันก็หนาวมันก็เข้ามาอยู่ในจิตจิตมันก็ไม่ปล่อยวางเมื่อกลหนาวคือมันยึดถือนยึดอยู่ถือถอยู่เมื่อจิตมันยึดอยู่ถือถอยู่ก็เป็นทุกข์อย่างนี้เรียกว่าทุกขังอริยาสัจจ์ทุกเป็นของจริง เตือนจิตเตือ น, นใจของเราให้ได้ทุกเวลาตัวเราที่ไหนของเราที่ไหนจงภาวนาเพียงเพ่งดูให้ลูกแจ้งด้วยปัญญาอันชอบมาลู่โยเห็นอยู่ซึ่งทำทั้งหลายทำทั้งหลายเวลานี้ทำหนาวมันแสดกมันบอกมันสอนอยู่ทุกเวลา ทุกกระเบียดนิ้วทุกชั่วมองทุกนาทียินาทีมันแสดงบทบาทอยู่ตลอดกาสรแต่ว่าผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ได้โอปนนยิสธรรันไม่ได้น้อมเข้ามาไม่ได้รวมเข้ามาไม่มาสงบ โ, โยในจิตในใจ จิตมันก็ออกไปหลงไหลเลื่อนลอยฟุ้งซ่านลำคาญไม่สงบตั้งมั่นอยู่ในธรรมะปฏิบัติความทุกข์ความเดือดร้อนบางก่นลุกขึ้นมาไม่ได้แก่อะไรลาคินาไฟคือลาธาโทกินาไฟคือโทสัมโมหกินาไฟคือโมห เมื่อมันเย็ดมันถือหลงโยนความเย็นความหนาวแล้วตาเห็นลลกก็ร้อนหูฟังเสียงก็ร้อนจมูกดมกลิ่นก็ร้อนลิ้นลิ้นรสก็ร้อนตายถูกต้องโทสะมันก็ร้อนจิตใจคิดเมกในอารมณ์ระไดมันก็ร้อน ร้อนเพราะอะไรลาทักินาไฟคือลาทะโทตักินาไฟสือโทสะโมหกินาไฟสือ โ, โมหะไฟหเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตใจยึดมันถือมันในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองขณะที่เราภาวนา ฟังคำมาเทศศาสนาหนาวจิตให้รู้จิกสันนิอยู่ภายในว่าจิตนี้เองมันมายิดหน้าทืตามายิดตัวถือตนมายิดเรายิดของของเรายิดมั่นถือมั่นในที่ทางกวกกิเลสราคะมีอยู่มันก็กำเล็จกิเลสโทสะมีอยู่ก็กำเล็จ กิเลสโมหะมีอยู่มันก็กำเริบหละมันลุกเป็นไฟเพียงแล้วว่าไฟลาคะไฟโทสะไฟโมหะมันลุกไหมไหมทั้งใจของคนเราทุกทุกคนสัตว์จริงได้ราฐานมนุษย์และเทวดายินทมทั้งหลายไฟลาคะโทสะโมหะมัก